ข้อที่ส1ในคำว่าเอกมันตังทีตาโขสาเป็นต้นนั้นพึงทราบวินิชฉัยดังต่อไปนี้ในอัตถกถาพระอัตถกถาจาร์กล่าวไว้ว่าบทว่าข้าถายะความว่าด้วยคำพูดที่กล่าวนิยมอัครบทจบประโยคในคำว่า อักษรประทังนั้นความว่าอักษรในบทกล่าวคือบาทชื่อว่าอักษรบทดังนี้จึงจะถูกจบประโยคจริงอย่างนั้นในประกรณ์ฉันทวุติปฏีบท่านกล่าวไว้ว่าการนิยมแม้อักษรในบาทหนึ่งชื่อว่าฉันทลักษจุลภาคส่วนการนิยมคารุ และะหุในสี่บาทชื่อว่าพลิตลักษณะจบประโยคอีกอย่างหนึ่งความว่าบทคืออัรชื่อว่าอักครบทดังนี้ก็ใช้ได้เพราะท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์สันทิพาลาวตานว่าการนิยมอักษรพึงชื่อว่าฉันจุลภาคการนิยมกรุ และละหุพึงชื่อว่าพฤตและเพราะท่านกล่าวไว้ในดีกาแห่งคัมภีร์สันติภาลาวตานนั้นว่าการนิยมคือวิธีวิเศษอันท่านกำหนดด้วยอักษรเหล่านี้คือยาระตะพะยะสัมะนะกล่าวคือยชจะมานะ รวิโตยะภูมิเชิละนะโสมะมารุตะและนภะพึงชื่อว่าฉันเพราะวิเคราะห์ว่าปิดเสียซึ่งโทษจุลภาคการนิยมด้วยครุและละหูทั้งหลายชื่อว่าพรตเพราะวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องอันท่านกล่าวจบประโยค ก็คณะ8ย่ยอมได้ชื่อมียะคณะเป็นต้นโดยสา ม, มารถแห่งอักษร8เหล่าใดจุลภาคอักษร8เหล่านี้แลมียะอักษรเป็นต้นท่านถือเอาแล้วด้วยอักขรศัพท์ในบทว่าอักขระประทังนี้จบประโยคบรรดาการนิยมสองอย่างนั้นการนิยมอักษร ได้ในวนรรณพฤษจุลภาคและในวนรรณพฤษนั้นมะคณะมีคารุสามจุลภาคณคนะณะมีลหุสจุประโยคส่วนการนิยมคารุและละหุได้ในมาตราพฤษจุลภาคและในมาตราพฤษนั้นมีมะคณะ มีครุสองจุลภาคณคนะณะมีละหุสี่จบประโยคส่วนคณะทั้งหลายที่เหลือในพฤษทั้งสองเป็นเช่นเดียวกันแลจบประโยคข้อที่12บทว่าอัจฉภาสิแปลว่าได้กล่าวแล้วจบประโยคอธิบายว่าทูลถามแล้วจบประโยค ก็คําว่าอาทินั้นเป็นเพียงอุปสรรคจบประโยคบทว่าพระหูคือมีช่ผู้เดียวจบประโยคพวกเทวดาโดยอุบัติมีเทวดาชั้นจาตุมหาราชเป็นต้นชื่อว่าเทวาจบประโยคพวกชนชาวชมพูทวีปชื่อว่ามนุษย์จบประโยคบทว่า มังคลานี้ความว่าซึ่งเหตุเป็นเครื่องถึงความเจริญด้วยสมบัติทั้งปวงด้วยเหตุนั้นในอัตถกาถาพระอัตถกาถาจารย์จึงกล่าวไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายยอมถึงอธิบายว่ายอมบรรลุซึ่งความสำเร็จและความเจริญด้วยเหตุเ ห, เหล่านี้เหตุนั้นเหตุเหล่านี้จึงชื่อว่ามงคล จบประโยคแม้ในสันทะนีติปกรณ์พระอัครวงศาจานก็กล่าวอัดแห่งธาตุว่าในบทว่ามังคลังนี้มัคีิธาต์เป็นไปในความถึงแล้วกล่าวบทกิริยาว่ามังคติจบประโยคก็มัคีิธาต์เป็นอีกการันจุลภาคเพราะเหตุนั้น ในรูปสําเร็จจึงลงนิฆหิตอาคมจบประโยคบทว่าอาจินตยุงแปลว่าคิดแล้วจบประโยคบทว่าอากังขมานาได้แก่จํานงอยู่คือปรารถนาอยู่จบประโยคบทว่าสถดฐานังแปลว่าซึ่งสวัสดีภาพจบประโยคอธิบายว่า ซึ่งความมีธรรมอันเป็นไปในภพนี้และในภพหน้าอันงามทุกอย่างมีอยู่จบประโยคข้อที่13บทว่าพารุหิแปลว่าโปรดตรัสคือโปรดแสดงจบประโยคบทว่าอุตมังความว่าวิเศษคือประเสริฐได้แก่ นำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่โลกทั้งหมดจบประโยคก็ในคถาทูนถามนี้บัณฑิตพึงเห็นสันนิฐานว่าความต่างกันแห่งวัชนะเทวดากระทำด้วยสามารถเพ่งประเภทว่ามังคลานี้และด้วยสามารถเพ่งชาติว่ามังคลงังเหมือนความต่างกันแห่งวัชนะ อันเท้าสกกระทรงกระทำแล้วโดวยสามารถเพ่งประเภทและชาติในกึ่งคถานี้ว่าข้าแต่พระฤาษีเจ้าขอพระองค์จงทรงเลือกพรเถิดจุลภาคบม่อมฉันจะถวายพรแปประการแก่พระองค์จุประโยคส่วนในอัตถกถาพระอัตถกาถาจารกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า แม้ผู้อันเทพบุตรเชื้อเชิญเพื่อให้ตรัสมงคลอย่างหนึ่งด้วยคำว่าขอพระองค์โปรดตรัสมงคลอันสูงสุดดังนี้ตรัสคาถาหนึ่งสมมงคลดุจบรุษผู้มีอัธยาศัยกว้างขวางเขาขอน้อยก็ให้มากฉะนั้นจบประโยคข้อที่14ค่คาถานี้ชื่อว่าปัทยาวัตร สมจริงดังคำที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์วุโตไทยว่าปัทยาวัตรท่านกล่าวไว้แล้วด้วยชักนะแต่หน้าสีักษรในบาทคู่ทั้งหลายจบประโยคบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสมีสุได้แก่บาทคู่ทั้งหลายกล่าวคือบาทที่สองและบาทที่สี่จบประโยค บทว่าสินธุโตได้แก่ถ้าแต่4สีอักษรขึ้นไปจบประโยคคำว่าถ้าแต่สียอักษรขึ้นไปนั้นเป็นเพียงตัวอย่างเพราะในบาทแห่งคาถาว่ามังคลานิอจินตยุงนี้แสดงชะกคณะแม้แต่อักษรตัวต้นจบประโยคบทว่าเจนะแปลว่าด้วย ใช่ค่ะนะจ้ประโยคบทว่าปกิติตังแปลว่ากล่าวแล้วจ้ประโยคคาถานั้นชื่อว่าปัทยวัตรเพราะเป็นวาจาที่จะต้องกล่าวด้วยชื่อว่าวัดเพราะจะต้องร่ายโดยเจตุราวัตรด้วยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าปัทยวัตรเจ้ประโยคส่วนในบาทขอนทั้งหลายกล่าวคือบาทที่หนึ่ง และบทที่สามสะคณะและนคณะถานอักษรตัวต้นขึ้นไปย่อมไม่มีจุลภาคคณะเหล่าอื่นท่านไม่ห้ามจบประโยคปนานนาเหงคาถาทูนถามจบจบประโยค